อัพยากตดสั่งยุต์ประมวลเรื่องที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสชี้ชัดสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปหาเคมาภิกษุณีถึงที่อยู่ส่งไหว้และประทับนั่งณที่สมควรได้ตรัสถามดังนี้ว่าหลังจากตายแล้วตัถาคตคืออัตมันนั้นเกิดอีกหรือไม่เกิดอีก หรือทั้งเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ท่านเขมาภิกษุณีตอบว่าปัญหาแต่ละข้อนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์คือไม่ทรงตอบปัญหานั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกรนจึงตรัสถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นขอถวายพระพรมหาบพิษถ้าเช่นนั้น หม่อมชั้นขอย้อนถามมหาบพิษในเรื่องนี้บ้างขอพระองค์พึงตอบตามที่ทรงพอพระทัยเถิดพระองค์จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรนักคำนวณ น, นักประเมินบางคนของพระองค์ผู้สามารถคำนวณสายในแม่น้าคงคาว่าสายเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือเท่านี้แสนเม็ดคนผู้นั้นมีอยู่หรือไม่ ตรัสตอบว่าไม่มีสำหรับข้อนี้โดยในยะแล้วหมายถึงว่าไม่มีใครสามารถคำนวณทรายทั้งหมดในแม่น้ำคงคาได้ว่าทั้งหมดนั้นมีกี่เม็ดนะครับก็นักคำนวณ น, นักประเมินของพระองค์ผู้สามารถคำนวณ น, น้ำในมหาสมุทรว่าน้ำเท่านี้อลหาหะกะเท่านี้หนึ่งร้อยอลหาหะกะ เท่านี้หนึ่งพันหรือเท่านี้หนึ่งแสนอลาหากะมีอยู่หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมหาสมุทรล้ำลึกประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากเรื่องนี้ก็เหมือนกันบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยรูปใดรูปนั้นระตถาคตคือพระผู้มีพระภาคนั้น ละได้แล้วตัดรากถอนโคนได้แล้วพระตถาคตพ้นแล้วจากการบัญญัติว่ารูปลึกล้าประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากดุดมหาสมุดเช่นั้นคําว่าหลังจะตายแล้วตถาคตคืออาตมานั้นเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกหรือทั้งเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ คำเหล่านั้นย่อมไม่ถูกและโดยนัยยะเดียวกันบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยเวทนาใดพึงบัญญัติด้วยสัญญาใดพึงบัญญัติด้วยสังขารใดและพึงบัญญัติด้วยวิญญาณใดเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นประตถาคตละได้แล้ว ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้พระตถาคตพ้นแล้วจากการบัญญัติว่าเวทนาพ้นแล้วจากการบัญญัติว่าสัญญาพ้นแล้วจากการบัญญัติว่าสังขารพ้นแล้วจากการบัญญัติว่าวิญญาณล้าลึกประมาณไม่ได้ อย่างถึงได้ยากดุดมหาสมุทรฉะนั้นคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตคืออาตามันเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้นคำเหล่านั้นย่อมไม่ถูกครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงชื่นชมยินดีพาสิทธิของเขมาภิกษุณีต่อมาสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วกราบทูลถามปัญหาเช่นเดียวกันกับที่ถามท่านเขมาภิกษุณีทุกประการซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบเช่นเดียวกันเมื่อได้รับคำตอบที่ตรงกันพระเจ้าปะเสนที่โกศลจึงแสดงความอัศจรรย์ใจที่อัฏฐกับอัฏฐพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับของพระสาวิกาเทียบเคียงกันได้เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนในบทที่สาคัญ พระเจ้าประเสริฐทีโกศลทรงเล่าถึงเรื่องการถามตอบปัญหากับท่านเขมาภิกษุณีให้พระผู้มีพระภาคได้ทรงทราบลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคสเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับทรงถวายอภิวาสกระทำประทักศิล์แล้วสเสด็จจากไป สำหรับคําว่าตถาคตนั้นในบางประโยคแปล ว, นนว่าอัตมันะครับคําว่าอัตมนั้นเป็นคําของคนอินเดียโบราณในหลายลัทธิที่พูดคุยกันและเข้าใจกันว่าอัตมันของคนเป็นส่วนหนึ่งที่อิสระจากร่างกายและเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณอันยิ่งใหญ่เป็นอัตตาหรือดวงวิญญาณซึ่งศาสนาและปรัชญาฮินดู รือว่าเที่ยงแท้ถาวรว่าด้วยพระอนุราธสมัยหนึ่งพวกอัญญาเดีรธีปริภาชคจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุราธถึงที่อยู่ได้ถามดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเมื่อจะทรงบัญญัติ ย่อมบัญญัติในฐานะสี่ประการนี้หรือไม่คือหลังจากตายแล้วตถาคตที่หมายถึงอาตมา น, นั้นเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกหรือทั้งเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงบัญญัติย่อมบัญญัติในฐานะสี่ประการนี้หรือไม่ท่านพระอนุราธาตอบว่า ไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อได้รับคําตอบอัญญาดียรธีบริพาชก ค, คือนักบวชนอกศาสนาเหล่านั้นจึงได้กล่าวว่าภิกษุรูปนี้คงเป็นพระบวชใหม่ได้ไม่นานหรือเป็นพระเทระแต่โง่ไม่ฉลาดอัญญาดียรธีเหล่านั้นรุกรานท่านพระอนุราธด้วยวาทะนั้นแล้วพากันลุกจากไป เมื่อพวกเขาจากไปไม่นานท่านพระอนุราธาได้มีความคิดว่าถ้าอัญญะเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นพึงถามปัญหากับเรายิ่งขึ้นไปเราจะตอบอย่างไรจึงจะชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคําเท็จจึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ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 ที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทูลตอบว่าข้อนั้นไม่ควรเลยและโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาจึงไม่ควรพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราอนุราธาเพราะเหตุ น, นั้นแหลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้รูปทั้งหมดนั้นเธอเพึ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาในสังขารในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนุราธาเธอเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรเธอพิจารณาเห็นรูป ว่าเป็นตถาคตคืออัตมันหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นเธอพิจารณาเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรืออตาตมันหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นอนุราธเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่า ตถาคตมีในรูปมีนอกรูปหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นตถาคตมีในเวทนามีนอกเวทนามีในสัญญามีนอกสัญญาตถาคตมีในสังขารมีนอกสังขารหรือเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในวิญญาณหรือมีนอกวิญญาณหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้น อนุราธาเธอเข้าใจความข้ อ, อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตถาคตหรืออัตมันหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นอนุราธาเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตนี้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขาร ไม่มีวิญญาณหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นอนุราธาแท้จริงเธอจะค้นหาตถาคตโดยจริงโดยแท้ในขันหานี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยควรหรือไม่ที่เธอจะตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษ ทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานะสี่ประการนี้คือหลังจะตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้นทูลตอบว่าข้อนั้นไม่ควรเลยดีแล้วอนุราธาทั้งในการก่อนและในบัดนี้เราย่อมบัญญัติทุกขและความดับทุกเท่านั้น ว่าด้วยพระสาวรีบุตรและพระมหาโกธิตตะสมัยหนึ่งท่านพระมหาโกธิตตะได้ถามเรื่องนี้กับท่านพระสาวรีบุตรว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือไม่หรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้นท่านพระสาวรีบุตรตอบว่าปัญหาเหล่านี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ ท่านปรากฏติตะจึงถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้นท่านพระสาวรีบุตรจึงตอบว่าคำว่าหลังจากตายแล้วตถ า, าคตเกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถ า, าคตไม่เกิดอีกก็ดีเป็นต้นนั้นข้อนี้จากแต่ว่ารูปคำว่าหลังจากตายแล้วตถ า, าคตเกิดอีกก็ดีเป็นต้นนั้น นี้เป็นสักแต่ว่าเวทนาคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้นนี้เป็นสักแต่ว่าสัญญานี้เป็นสักแต่ว่าสังขารและเป็นสักแต่ว่าวิญญาณผู้มีอายุนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้น ท่านพระสาวรีบุตรตอบปัญหาข้อนี้อีกในยะหนึ่งว่าทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีหรือไม่เกิดอีกก็ดีเป็นต้นนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นรูปข้อนี้คือไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงนะครับไม่รู้ไม่เห็นเหตุเกิดรูปความดับรูปและปฏิปทา ที่ให้ถึงความดับรูปตามความเป็นจริงและโดยในยะเดียวกันทิฏฐิที่ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกเป็นต้นนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหตุเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาจนถึงวิญญาณนั้นตามความเป็นจริง แต่ทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีเป็นต้นนั้นยอมไม่มีแก่บุคคลผู้รู้เห็นรูปเหตุเกิดรูปความดับรูปและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับรูปตามความเป็นจริงยอมไม่มีแก่บุคคลผู้รู้เห็นเวทนาตัญญาตังขานและวิญญาณตามความเป็นจริงผู้มีอายุนี้แหล เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคไม่ท่งพยากรปัญหานั้นท่านพระสาวรีบุตรตอบปัญหานี้อีกในยะหนึ่งว่าทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีเป็นต้นนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้ยังไม่ปราศจากราคะฉันทะความรักความกระหายความเร่าร้อนตัณหาในรูปในเวทนา ในสัญญาในสังขารและในวิญญาณแต่ทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ปราศจากราคะไม่ปราศจากชันทะความรักความกระหายความเร่าร้อนไม่ปราศจากตัณหาในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารและวิญญาณ นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรปัญหานั้นอีกในยะหนึ่งทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้ชื่นชมยินดีบันเทิงในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณผู้มีรู้ไม่เห็นความดับรูป ความดับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงแต่ทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกเป็นต้นนั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ชื่นชมไม่ยินดีไม่บันเทิงในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้เห็นความดับรูปความดับแห่งเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคไม่ส่งพยากรปัญหานั้นท่านพระสาวรีบุตรถามว่าอันหนึ่งเหตุแม้อย่างอื่นที่พระผู้มีพระภาคไม่ส่งพยากรปัญหานั้นมีอีกหรือไม่ท่านพระมหากดทิตะตอบว่าข้อนี้มีอยู่ คือทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกเป็นต้นนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้ชื่นชมยินดีบันเทิงในภพผู้ไม่รู้ไม่เห็นความดับภพบตามความเป็นจริงแต่ทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ชื่นชมไม่ยินดีไม่บันเทิงในภพ ผู้รู้ผู้เห็นความดับพกตามความเป็นจริงและโดยในยะเดียวกันทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตคืออัตมันนั้นเกิดอีกเป็นต้นนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้ชื่นชมยินดีบันเทิงในอุปาทานผู้ไม่รู้ไม่เห็นความดับอุปาทานตามความเป็นจริง ย่อมมีแก่บุคคลผู้ชื่นชมยินดีบันเทิงในตันหาผู้ไม่รู้ไม่เห็นความดักตันหาตามความเป็นจริงนี้แหละเป็นเหตุที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรปัญหานั้นท่านพระสารีบุตรถามว่าเหตุแม้อย่างอื่นที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรปัญหานั้นมีอยู่อีกหรือไม่ท่านปรากฏจิตตะตอบว่า ท่านสาวรีบุตรบัดนี้ท่านจะต้องการอะไรในปัญหานี้ยิ่งไปกว่านี้อีกเล่าเพราะไม่มีธรรมเนียมสำหรับให้รู้ภิกษุผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัญหาว่าด้วยพระมหาโมคคลานะวัชโคตปาริภาชกเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะแล้วถามดังนี้ว่า โลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดชีวะกับสารีระเป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกหรือทั้งเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ท่านพระมหาโมคลานะตอบ ป, ปัญหาแต่ละข้อนั้นว่า คำถามเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณคือไม่ทรงตอบจึงถามว่าเป็นเพราะเหตุไรที่พวกอัญญาเดิยรตีปริภาชกเมื่อถูกถามปัญหาเหล่านี้จึงตอบแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อถูกถามกลับไม่ทรงพยากรณคือไม่ทรงตอบท่านพระมหาโมคคลานะตอบว่า เพราะพวกอัญญะเดียร์ีปริภาชกพิจารณาเห็นจากขุคือตานั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราและโดยในยะเดียวกันพิจารณาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราฉะนั้นพวกอัญญะเดียร์ีปริภาชก เมื่อถูกถามอย่างนี้จึงตอบคำถามข้อที่ว่าโลกเทียงหรือไม่เทียงหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้นส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อถูกถามอย่างนี้จึงไม่ทรงพยากรครั้นต่อมาวัชโคตรปริพาชกเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามปัญหาเช่นเดียวกันกับที่ถามท่านพระมหาโมคคลานะก็ได้คําตอบที่ตรงกันทุกประการจึงแสดงความอัศจรรย์ใจ และกราบทูลว่าเมื่อครู่นี้ข้าพระองค์เข้าไปหาพระมหาโมคคลานะได้ถามเรื่องนี้แม้พระมหาโมคคลานะก็ได้ตอบเรื่องนี้ด้วยบทและพยัญชนะเหล่านี้แก่ข้าพระองค์เหมือนท่านพระโพดมซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศ จ, จรรย์มากที่อัฏฐากับอัฏฐพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับพระสาวกเทียบเคียงกันได้เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนในบทที่สาคัญ สำหรับปัญหาข้อนี้โดยอีกในยะหนึ่งทรงตอบว่าเพราะพวกอัญญะดียรตีบริภาชกพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตา ฉะนั้นพวกอัญญะเดียร์ธีปริภาชกเมื่อถูกถามอย่างนี้จึงตอบปัญหาข้อที่ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พิจารณาเห็นรูปเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูป ไม่พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาฉะนั้นเมื่อถูกถามว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นเราจึงไม่พยากรณคือไม่ตอบปัญหาเหล่านั้นว่าด้วยสาราถกถแถลง ครั้งหนึ่งวัชโจปริพาชกเข้าเฝ้ากราบทูลถามเรื่องนี้ว่าท่านพระโคดมวันก่อนโน้นพวกสมณะพราหมณ์อัญญาดิรัตีปริพาชกจำนวนมากนั่งประชุมกันในศาลากถกแถลงได้สนทนากันว่าครูปุรณกกสปะนี้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจาร์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิ ชนจานวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีครูปุรณะกัสปะนั้นพยากรณ์สาวกผู้ล่วงลับดับไปในอุบัติภพทั้งหลายว่าท่านโน้นเกิดในภพโน้นท่านโน้นเกิดในภพนี้แม้สาวกใดของครูปุรณะกัสปะนั้นเป็นอุดมบุรุษเป็นบบรมบุรุษได้บรรลุผลที่ควรบรรลุอย่างยิ่ง ท่านก็พยากรณ์สาวกนั้นผู้ล่วงลับดับไปในอุบัติภพทั้งหลายว่าท่านโน้นเกิดในภพโนนเกิดในภพนี้นอกจากครูปุรณกัสปะนั้นก็ยังมีคำกล่าวถึงครูมคคลิโคสารนิโครทนาตบุตรสัญชัยเวลันทบุตรปากุทากัจใจยนะอาิตะเกษก ร, รมพลรวมทั้งหมดคือเจ้าลัทธิทั้งหกในสมัยนั้น ก็พยากรสาวกเช่นเดียวกันส่วนฝ่ายพระสมณโคดมก็เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนจํานวนมากยกย่องว่าเป็นคนดีแม้พระสมณโคดมก็ส่งพยากรสาวกผู้ล่วงลับดับไปในอุบัติภพทั้งหลายว่าสาวกโน้นเกิดในภพโน้นในภพนีน้ ส่วนสาวกใดของสมณะโคดมนั้นเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษได้บรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยิ่งพระองค์ก็ส่งพยากรสาวกนั้นผู้ล่วงลับดับไปในอุบัติภพทั้งหลายว่าสาวกโน้นเกิดในภพโน้นเกิดในภพนีน้นอกจากนี้ยังทรงพยากรสาวกนั้นอีกว่าตัดตัณหาได้ขาดถอนสังโยชน์ได้ ทันที่สุดแห่งทุกข์เพราะละมานะคือความถือตัวได้โดยชอบท่านพระสมณโคดมข้าพเจ้านั้นได้มีความเคลือบแคลงสงสัยว่าถึงอย่างไรพระสมณะโคดมก็ทรงรู้ยิ่งธรรมะเพราะผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะสมควรแล้วที่ท่านจะเคลือบแคลงสงสยัย ความสงสัยเกิดขึ้นแก่ท่านในฐานะที่ควรเคลือบแคลงเรายอมบัญญัติความอุบัติสำหรับผู้มีอุปาทานไม่บัญญัติสำหรับผู้ไม่มีอุปาทานไปที่มีเชื้อย่อมลุกโคลงได้ไม่มีเชื้อก็ลุกโคลงไม่ได้แม้ชันใดเราก็บัญญัติความอุบัติสำหรับผู้มีอุปาทาน ไม่บัญญัติสำหรับผู้ไม่มีอุปาทานชั้นนั้นเหมือนกันท่านพระโคโดมเวลาที่เปลวไฟถูกลมพัดไปได้ไกลเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคโดมจะทรงบัญญัติอะไรแก่เปลวไฟนี้จากเชื้อที่ไหนเล่าตรัสว่าวัชชะเวลาที่เปลวไฟถูกลมพัดไปได้ไกลเราบัญญัติเชื้อคือลมนั้น เพราะลมเป็นเชื้อของเปลเวลไฟนั้นทูลถามว่าท่านพระโคดมเวลาที่สัตว์ทอดทิ้งกายนี้และไม่เข้าถึงกายอย่างใดอย่างหนึ่งท่านพระโคดมจะทรงบัญญัติอะไรแก่สัตว์นี้ในเพราะอุปาทานไหนเหล่าวัชะเวลาที่สัตว์ทอดทิ้งกายนี้และไม่เข้าถึงกายอย่างใดอย่างหนึ่งรองบัญญัติอุปาทาน คือตันหานั้นเพราะตันหาเป็นเชื้อของสัตว์นั้นว่าด้วยพระอานน์ครั้งหนึ่งวั จ, จโจปริภาชกเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมอัตตามีอยู่หรือไม่เมื่อทูลถามอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่ง วัชโครปริภาชกจึงทูลถามอีกว่าท่านพระโคดมอัตตาไม่มีหรือแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงนิ่งอยู่ลำดับนั้นวัชโครปริภาชกจึงลุกจากที่นั่งแล้วจากไปครั้นจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้ทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงตอบปัญหานั้น พระผู้มีพระภาคตรัส ต, ตอบว่าอานนท์เราถูกวัชโคดบริพาชกถามว่าอัตตามีอยู่หรือไม่ถ้าตอบว่าอัตตามีอยู่คําตอบนั้นก็จะไปตรงกับลัทธิของพวกสมณพราหมณ์ผู้เป็นสัตจสตติฐิคือลัทธิที่มีความเห็นว่าเที่ยงยั่งยืนและหากตอบว่าอัตตามไม่มี คำตอบนั้นก็จะไปตรงกับลัทธิของพวกสมณพราหมณ์ผู้เป็นอุเฉธาทิฏฐิคือมีความเห็นว่าขาดศูนย์หลังจากตายแล้วทุกอย่างขาดศูนย์สิ้นไปเองอันหนึ่งถ้าตอบว่าอตตามีอยู่คำตอบนั้นก็จะไม่อนุโลมแก่ความเกิดขึ้นแห่งญาณของเราว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตา และถ้าตอบว่าอัตตาไม่มีคำตอบนั้นก็จะมีเพื่อความงมงายยิ่งขึ้นแก่วัจโครปริพาชคผู้งมงายอยู่แล้วว่าเมื่อก่อนอัตตาของเราได้มีแล้วแน่นอนบัดนี้อัตตานั้นไม่มีว่าด้วยพระสพิยกัจจานะสมัยหนึ่ง วัชโจบริภาชกเข้าไปหาท่านพระสพิยะกัจจานะถึงที่อยู่ถามปัญหาเรื่องนี้ว่าหลังจะตายแล้วตถาคตคืออาตมั น, นั้นเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกท่านพระสพิยะกัจจานะตอบว่าปัญหาเหล่านี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณคือไม่ทรงตอบวัชโจบริภาชกจึงถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่พระสมณะโคโดมไม่ทรงตอบปัญหาเหล่านี้ตอบว่าเหตุและปัจจัยใดเพื่อการบัญญัติว่าตถาคตคืออาตมันนั้นมีรูปหรือไม่มีรูปมีสัญญาหรือไม่มีสัญญามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหตุและปัจจัยนั้นก็ผิดทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่าง ไม่เหลือโดยประการทั้งปวงบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคตว่าตถาคตมีรูปหรือไม่มีรูปมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่จะพึงบัญญัติด้วยอะไรเมื่อได้รับคำตอบนี้วัชชะโครปริพาชกจึงถามท่านว่าบวชมานานเท่าไรได้คำตอบว่า บวชมาแล้ว 3, สามพันษาจึงกล่าวว่าผู้มีอายุการพยากรณ์เท่านี้ของท่านผู้ที่กล่าวแก้ได้โดยเวลาถึงเท่านี้ก็มากอยู่เมื่อคำพยากรณ์ไพเราะอย่างนี้แล้วก็ไม่จําต้องพูดอะไรกันอีกพระไตรปิฎกเล่มที่สิบปดพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสังยุตตนิกาย ตลายยัตนาวัคจบบริบูรณ์